คุยๆ <c oughs> สมัยก่อนเข้าใจอะสมัยนีมข้ไม่ค่อยได้ใช้อะคุยๆเนี่ยภาษานี้วัยรุ่นไม่ <c oughs> ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะฮะคุยๆคุยๆตามแต่เนี่ยนะแต่การเป็นการ เ, จาเยอะๆแบบหนึ่งสมัยก่อนใครถูกเอ่อคุยๆเนี่ยนะรู้สึกแหมโมโหมากเลย <c oughs> รู้สึกโมโหมากนะฮ <c> ะ <oughs> แต่สมัยนี้แค่นี้ไม่รู้สึก <c oughs> แค่นี้ไม่รู้สึกนะฮะนั่นเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> นั้นเอ่อในชีวิตของเราเนี่ยนะครับ ในการที่จะรักษาความรอดเอาไว้ เ, าเราต้องผ่านอันหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอคือการทดลองนะการทดลองหรือบางที่บางแห่งก็เป็นเรื่องของการข่มเหงนะครับเป็นการข่มเห ง, เ ม, เ, หง เ, เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนูน้นก็มีน้องชายของหยุนหยุนคนจีนนะที่เขียนหนังสือบุรุษแห่งสวรรค์ น, นะแคว้นมาเยี่ยม เอาชาจีนมาให้กินแต่น้องชายเขาเนี่ยน่าจะเป็นญาติญาติเขาเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งโรงงานอะไรนะชุดชั้นในของสตรีนะ เ, เขาเรียกว่าทำกลางการธุรกิจเขาแต่เขาเป็นคริสเตียนด้วยนะคริสเตียนใต้ดินในจีนยังมีเยอะถึงแม้ในยุคนี้จะมีการเปิดทางไว้ให้เยอะ การถูกกลมเหงก็มีมากแต่ขณะเดียวกันเขามีเป้าหมายในการอะไรในการจะเขาเรียกว่ากลับสู่เยรูซาเล็มคือการประกาศข่าวประเสริฐกลับสู่เยรูซาเล็มเมื่อก่อนนี้ข่าวประเสริฐออกมาจากเยรูซาเล็มใช่ไหมมาถึงเราแต่นี่คือสิ่งที่เขาทำคือการย้อนกลับไปสู่เยรูซาเล็มคือการประกาศข่าวประเสริฐไปนะเขาเรียกเส้นทางสายไหมเนี่ยเส้นทางสายไหมเป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งการประกาศข่าวประเสริฐและก็เป็นการ ทำธุรกิจได้ด้วยแล้วแต่ว่าใครจะเดินเส้นทางสายไหนนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญในวชีวิตของคนอยูก็เหมือนกันเมื่อเป็นประชากรพระเจ้าแช่วัาจะราพ ร, รื่นนะครับนอกจากถูกตกเป็นเฉลยแล้วอยัางต้องอะไรฮะถูกคิดถูกทำลายล้างชนชาติถึงหากักนั้นในพระธรรมเอสเทอร์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการกรอบคู่ชนชาติยูล่วงหน้าคือพระเจ้าล่วงหน้าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมากเอสเทอร์、Esther、เป็น คนหนึ่งที่เจ้าเตรียมไว้เพื่อกรอบกู้ชนชาติอยู่ซึ่งเราก็เรียนแต่บทที่หนึ่งนะบ ท, ทหนึ่งเรื่องของวัชรีนะฮะราชีนีของกษัตริย์อาหัสุเอรัสเนื่องจากภาพภูมิใจในความสวยของตัวเองเลยขัดขืนคำสั่งของกษัตริย์เมื่อขัดขืนคำสั่ ง, งกษัตริย์ก็เลยถูกปลดออกจากการเป็นราชีนีเมื่อถูกปลดเป็นราชีกษัตริย์ต้องมีราชีนีนะก็มีการเลือกกษัตริย์ขึ้นมาใหม่ก็คือไ ด, ได้ได้ราชีนีขึ้นมาใหม่ก็คือเอสเทอร์ เอสเธอร์ที่ได้เพราะว่าเป็นคนถ่อมใจเป็นคนฟังคนอื่นเป็นคนที่พอใจกับที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งผิดกับหญิงคนอื่นเมื่อจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ปั๊บเนี่ยเขาบอกอยากได้แล้วเอาไปเลยก็เอาไปหมดอะเผื่อ <c oughs> ว่าถ้าไม่ได้ได้มีของติดตัวกลับบ้าน <c oughs> ถ้าไม่ได้เป็นราชินีแต่เอสเธอร์เนี่ยขันธีว่างไงก็ว่างั้นแหละเช <c oughs> ื่อขันธีเอาไปเท่าที่ขันธีบอก และความความสวยและความเที่ยวกฟังการให้เกียรติคนของเอสเธอร์คือสวยทั้งภายนอกและสวยภายในจริงแล้วการถูกเลือกให้เป็นราชนีกษัตริย์พึงพอใจนะฮะในบทที่สามเราจะพูดถึงเรื่องของฮามานวางแผนทำลายล้างชนชาติยูนะฮามานวางแผนทำลายล้าง ช, ชาติยูเนี่ยจริงที่ฮามานทำเนี่ยทำให้เรารู้จักกิจการงานของมารมากขึ้นว่ามารซาตานเนี่ย มีวิธีการทำงานแบบไหนนะฮะอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นสิ่งที่มารทำนาอามาทำทำให้เรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของมาร์สตาเนี่ยคืออะไรและทำให้เรารู้ว่าวิธีการของมาร์สตาเนี่ยมีวิธีการแบบไหนนะฮะในการที่จะมาจัด ก, การกับมนุษย์เนี่ยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับในพมพีบทที่สามนะครับของเอสเทอร์ ก็จะอ่านเพียงแค่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกนะครับผมอ่านพี่น้องฟังเนอะในพระธรรมเอสเทอร์บทที่สามนะครับขาดเลขสามไปตัวนะบทที่สามข้อหนึ่งถึงหกได้กล่าวบอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้กษัตริย์อาห์สุเอรัสทรงเลื่อนยศฮามานบุตรฮามีดาธาคดอากัก พระราชาทรงเลื่อนท่านและทรงตั้งเก้าอี้ของท่านไว้เหนือกว่าเจ้านายทั้งปวงที่อยู่กับองค์ข้าราชการที่อยู่ที่ประตูพระราชวังก็กราบลงแสดงความเคารพต่อฮามาันเพราะพระราชาทรงบัญชาไว้พรงศาวงชาให้แสดงความเคารพต่อท่านเช่นนั้นแต่โมระดิคัยไม่ได้กราบหรือแสดงความเคารพ ขร้าราชการซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวางังจึงพูดกับโมระเดชไคว่าทำไมท่านละเมิดพระบัญชาของพระราชาอยู่มาเมื่อเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่าและท่านไม่ฟังเขาเขาก็ไปเรียนฮามานเพื่อจะดูว่าถ้อยคำของโมระเดชไคชนะหรือไม่เพราะท่านบอกเขาว่าท่านเป็นอยู เมื่อฮามานเห็นว่ามโมริตไคไม่กราบลงแสดงความเคารพต่อท่านก็เดือดดานแต่ท่านเห็นว่าเป็นการเสียเกียรติที่จับกุมโมริตไคคนเดียวฮามานหาช่องทางทำลายอยู่ทั้งหมดคือชนชาติของโมริตไคทั่วราชจักรของอาห์สุเอรัตรร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าพระพีทุกต่อรับการนนใจซึ่งมาจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ในการสอนการตะเกนว่ากล่าวการประปรุงแก้ไขายโคลดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมในการทำการทุกอย่างไวพอในขั้วหนายทุกคนในการเข้าใจในพระเจ้าในการสำแดงขงหยานโดยสุดขอองค์ขงหยานโดยสุดตรายตามชอบพระทัยพระเจ้าทุก ป, ประการในพระนามพระเยซูเจ้าฮาเมนเมื่อเอสเธอร์ได้เป็นราชนินีเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มีอีกคนหนึ่งซึ่ง ได้รับความพึงพอใจจากพระราชาคือฮามานบุตรฮัมเมดาธาคนอากักได้รับการเลื่อนยศรองจากพระราชาเพียงตำแหน่งเดียวและพระราชาก็สั่งให้บรรดาข้าราชการทั่วไปได้ทำความครบรหามานเมื่อพบแต่มีอยู่คนหนึ่งไม่ทำคือโมรติไค ก็มีคนมาถามหาเหมือนกันว่าถามว่าทำไมมรดชายไม่ทำตามที่ภรรยาสั่งนะถามแล้วถามเรามรดชายก็ไม่ทำเมื่อถามหนักหนาเข้ามรดชายก็เหตุผลว่าทำไมที่ไม่ทำความเคารพมีเหตุผลเพราะฉันเป็นยูลคนยูนั้นจะไม่กราบไหว้สิ่งใดเพราะถือว่าการกราบไหว้สิ่งอื่นนั้นถือเป็นการกราบไหว้รูปเคารพมรดชายจึงไม่ทำ นะฮะจรึงไม่ทำคนเหล่านั้นก็เลยเ อ, อ, อยากจะรู้ซิว่าโมร็อกไคอยกับฮามานใครใหญ่ๆเอากันก็เลยไปบอกฮามานนะฮะฮามานก็โกรธเดือดดานแต่ฮามานนี่เป็นผู้นำเป็นคนเหนือคนจริงๆเก็บอารมณ์อยู่นะฮะและคิดในใจว่าถ้าจะเอาจับโมร็อกไคอยเข้าคุกมันรู้สึกเสียเกียรติเรื่องเล็กไอ้น้อยนะ นะไปหาเรื่องกับคนข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่ค่อยดยีเอามันทั้งชาติเลยนะนะทำลายทั้งชาติเลยอันนี้คือความจงเกตจงช่างความฮาแมานก็คิดวางแผนทันทีนะคิดวางแผนทันทีนั้นสิ่งที่เรามองเห็นแต่แรกกับเป้าหมายสูงสุดของมาร์สาตาร์กับเป้าหมายสูงสุดของฮาแมานเนี่ยไม่ต่างกันนะในพระธรรมอิสยาห์ได้กล่าวบอกว่า โอดาประจำกลางวันเอ๋ยพ่อโอรสแห่งพระอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผูก้กระทำให้ดาประชาชาติตกต่ำนะ่ะเจ้าล้ำพึงในใจเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะทำตัวข้าเป็นเหมือนองค์ผู้สูงสุดอันนี้คือความคิดของมาร์เป้าหมายสูงสุดของมาร์คือต้องการเป็นเหมือนพระเจ้าและในความต้องการเหมือนพระเจ้าของมันเนี่ยก็เลยมาหลอกอาดามาฮาวาไม่จริงหลอกกินและจะเป็นเหมือนพระเจ้ากินแลจะเป็นเหมือนพระเจ้านะฮะคือความใสความอยากเป็นลงไปในตัวของฮาวานะครับก็เลยทำให้ฮาวาหลงกล ของมารไปกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามเสียทั้งอาดามด้วยนะฮะก็เลยทำให้เขาทำบาปต่อพระเจ้าอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของมารเลยวะ่าคือต้องการตั้งตัวเองเป็นพระเจ้านะครับนั้นในอีสเตอร์บทที่สามข้อหนึ่งว่าภายหลังเหตุการณ์นี้กษัตริย์อาหารสุริยรัตทรงเลื่อนยศฮามานบุตรฮามเมดาธาคนอากรพระราช า, ร า, ชาทรงเลื่อนท่านและตั้งเก้าอี้ของท่านไว้เหนือกว่าเจ้านายทั้งพวกที่อยู่กับพระองค์ ก็คือรองมาจากพระราชาเพียงองค์เดียวนอกจากนั้นฮามาน อ, อยู่เหนือหมดนั้นการได้เป็นใหญ่นั้นเป้าหมายสูงสุดของมานสตาล์ดับแรกคือการได้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงนะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมองเห็นในภาพสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะโลกเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนทะเลาะกันสิ่งที่เก่อให้เกิดสงครามในโลกนี้มาจากอันเนี้ย อยากเป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงอยากเป็นประเทศที่เป็นเหมือนเจ้าผู้ครองอาณาจักรอยากจะเป็นอะไรก็ตามแต่อยากเป็นใหญ่ะะประเทศฉันไปไหนคนต้องซูฮกทำนองเนี้ยนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสงครามมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลนี้นะะไม่ว่าสงครามในรูปแบบไหนสงครามรบกันจริงหรือสงครามเชิงเศรษฐกิจนะฮะ หรือเหตุก่อให้เกิดสงครามนะฮะโดยอ้างอะไรก็ตามแต่เพราะมาจากความรู้สึกว่าอยากเป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงเมื่อไรก็ตามแต่ที่เรามีความรู้สึกอยากเป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงกำลังอยู่ในวิถีเดียวกันกับมารซาตานอยู่ในความคิดเดียวกันกับมารซาตานพระเจ้าไม่เคยสร้างเรามาให้เป็นใหญ่เอาใครพระเจ้าสร้างเรามาให้อยู่ร่วมกัน มีหน้าที่ที่ต่างกันเฉยแต่ไม่มีใครใหญ่กับใครทุกคนต้องเคารพในบทบาทหน้าที่ของกันและกันนะครับบางทีคือเสียงก็พลาดตรงนี้กันนะก็พระเจ้าไม่ให้ใ ห, ใหญ่กันทุกคนเสมอภาคกันไงใช่ทุกคนเสมอภาคกันมีสิทธิเท่ากันแต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือหน้าที่การงานที่เจ้ามอบหมายให้แต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งเราต้องเคารพหน้าที่การงานของแต่ละคนที่พระเจ้าแต่งตั้งให้ น, ะะนั่นคือสิ่งที่อยากมองเห็นนั้น เ, เป้าหมายสูงๆสุดของมาสตาร์คือว่าเริ่มต้นจากการเป็นเหมือนคนทั้งปวงนะฮะเพื่อจะเป็นพระเจ้าถ้ามันได้เป็นเหนือคนทั้งปวงเมื่อไหร่มันจะเป็นพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาใช่ไหมแล้วพระเจ้าอยู่เหนือมนุษย์และอยู่เหนือเทพผู้ครองทั้งหลายด้วยนะฮะมาสตาร์ก็ใหญ่พอมันทำทุกอย่างดับแรกถ้าจะเป็นถ้าเป็นเหมือนพระเจ้าได้ต้องเหนือคนทั้งปวงก่อนนั้นทุกวันนี้มาสตาร์ทำยังไง พยายามครอบครองมนุษย์ทุกคนในโลกนี้แต่มันยังครอบครองไม่ได้เนาะเพราะในมนุษย์มีวิญญาณของพระเจ้าในมนุษย์มีพระฉายาของพระเจ้าสิ่งที่มันทำได้คือว่าทำยังไงก็ตามแต่มุดหลงกลมันและผอยู่ภายใต้มันนั่นคือสิ่งที่มันทำอันที่สองนะฮะข้าราชการซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังก็กราบลงแสดงความเคารพต่อฮามานเพราะพระราชาทรงบัญชาแสดงความเคารพต่อท่านเช่นนั้น สิ่งที่มาสตาร์นต้องการต่อมาคือว่าต้องการให้คนทั้งปวงบูชามันทุกอย่างที่มาสตาร์นทำมีเหตุผลเดียวว่าทำยังไงก็ตามแต่ให้มนุษย์บูชามันนะฮะนั้นสิ่งทีอ่ในโลกนี้ที่เกินกดการมากสุดเลยคือเรื่องการบูชานะฮะบูชานูน่นบูชานี่นะครับและก็การบูชานี้ไม่ใช่บูชาว่าเคารพนับถือนะส่วนใหญ่ไม่ได้บูชาเพราะความเคารพนับถือ ไปดูที่ไหนก็ได้ไม่ว่าใค lightning จะบอกว่าเขารบอันนั้น faisait 0ๆ mis เขารบอันนี้มันมีเหตุผลในขา ร, ขรบ、mm hmm. เทตล odes ให้เขารบกันเป็นอะไร、mm hmm. คือกาฆ่าตอบแทนทำไมเขารบเจ้า Prix เพราะว่าว่าตอบแทนดีมากถูกกวยทุกมวดเลยทำไมเขารบเจ้าจากนีว่าตอบแทนดีมากเลยทำท singing in your Heil พ com ทำไมเขารบเจ้า aggi งคล oid เพราะตอบแทนดีมากเลยคิดอะไรก็สมดังใจนึกนะอันเนี้ยมันมีค่าตอบแทนถ้าไม่มีค่าตอบแทนถามว่าจะเคารพไหมยไม่เคารพไม่เคารพฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาซานเนี่ยพยานจะให้เราทุกอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะให้หมดเหตุผลเพื่อให้มนุษย์บูชามันใช้คำหนึ่งเข้ามาทดแทนศักดิ์ศรี องคนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเราจรึงต้องบูชานะฮะนั่นคือนั่นคือสิ่งที่อยากให้มองเห็นภาพตรงนี้นั่นคือมาสตางก็พยายามทุกอย่างนะให้อยู่เหนือขุนพวงและการจะอยู่เหนือนขุนพันนั่นคือว่าต้องให้ขุนพวงบูชามันบูชาแปลว่าอะไรเคารพคำว่าบูชามีคำหนึ่งที่เราใช้นมัสการการนมัสการพระเจ้าคือการบูชาพระเจ้า เราใช้มาสการพระเจ้าแต่การบูชาพระเจ้าการมัสกา ร, รเจ้าของเรามาจากใจที่ศรัทธามาจากหัวใจที่รักพระเจ้าจริ ง, รงไม่ใช่มาจากผลตอบแทนที่ได้รับเราบูชาเรามาสการเพราะเราสำนึกในพระคุณคำว่าสำนึกในพระคุณแปลความว่าไม่ต้องการสิ่งตอบแทนถ้าเราต้องการจะสำนึกในบุญคุณใครสักคนหนึ่ง เราจะทำอะไรเขาสักอย่างหนึ่งเป็นการสำนึกในบุญคุณหมายความว่าทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนถ้าท่านสำนึกในบุญคุณพระเจ้าและคาดหวังการตอบแทนจากพระเจ้าแสดงว่าท่านยังไม่สำนึกท่านเพียงต้องการท่าตอบแทนเฉยแต่เมื่อเรามาสักการพระเจ้าด้วยใจกระตันยูแปลวความว่าไม่หวังผลการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อเราการให้พระเจ้ามาอวยพรเรา เมื่อการตอบแทนพระเจ้าเพราะที่เราทำทุกวันนี้น้ำมศการโปรงร้องเพลงกับโปรงสันเสริญโปรงเป็นพยานก็พบว่าการตอบแทนพระคุณโปรงและเมื่อการตอบแทนซึ่งมาจากพระเจ้าแต่คนอื่นบูชาสิ่งต่างเพื่อผลประโยชน์ในการตอบแทนอันนี้คือความต่างกันการที่งานสตางค์การให้คนบูชาเพราะเป็นต่างก็มีการตอบแทนแต่การที่เราใช้คำว่าน้ำมศการพระเจ้า เป็นการเคยรรบบูารณ ram''sarißar." แปร์ Ahhh breasts are no one without grounds to meet theünü แต่ living with the mind of heart or bad judge's Tolkien. warum därför h supports this? I omitted this when we wrote about this. Suspets that I stand for Christians but our 到 gs we are no one with 統順 tells us to be a believer to take views of someone or to act against anyone without KIM antigens no one thanks to them ニสดีใจราใชค ye Як if God does that it is basically to allow him to meet 元 แต่สำหรับมาร์สตาร์ไม่ใช่เธอให้ฉันฉันให้เธอยื่นหมูยืนย่นแมวหมูไปไก่มาใช่ไหมอยากได้สิ่งนี้ต้องเอาหัวหมูมากี่หัวก็วานไปตามแฉที่กันนะคุณยื่นอะไรให้ไปนั่นคือสิ่งสำคัญที่มาร์สตาร์เปล้าหมายศูนย์มาร์สตาร์คือต้องการอยู่เหนือคนและการอยู่เหนือคนคือให้คนบูชามันนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญเพื่อตัวเองจะเป็นพระเจ้า นี่คือมารซาตานนะเพื่อตัวเองจะเป็นพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่เราควรจะบูชาหรือพระเจ้านั้นที่เราควรจะนมัสการอีกครั้งหนึ่งมาได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักและได้แสดงความบรรดาลรัชจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของรัชจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งน้ำพวงเหล่านี้แก่ท่าน มานสตาลก็พาเพย์ซูที่สูงและใหพระองค์ทบทนตรัวความกุ้งเรืองของอาณาจักรและก็ทูลกับพระเยซู ว, ว่าถ้าท่านกราบนมัส ก, การเราเราจะให้สิ่งมึงพวงเหล่านี้แก่ท่านยิบยื่อนให้เลยใช่ไหมพระเยซูตรัสตอบว่าไอสาตาลจงไปเสียให้พล้นเพราะข้อมพีเขียนไว้ว่าจงกราบนมักส ก, การพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพระเยซูชัด มันสตาร์พยายามอาสุจิบัตทั้งโลกมาล่ออยากได้ไหมอยากได้ในมันสการเรานะฮะแต่สำหรับเราที่น้ำมัสการพระเจ้าเพราะเป็นการปลนิบัตพระเจ้าเป็นการตอบแทนพระคุณพระเจ้าจงกราบตะเมส卡尔องผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปลนิบัตเพียงแต่ผู้เดียวนี่คือพระเยซูตรัส นั้นการบูชามาสตาลกับการบูชาพระเจ้ามรสการพระเจ้าต่างกันในท่าทีและความรู้สึกนนในท่าทีและความรู้สึกนั้นคือสิ่งกันและเมื่อพระเยซู ย, ยืนจัดงั้นมานจิงระพงไปและมีเหล่าทูตสวรรค์มาปนิบัติพงษ์ฉะนั้นสิ่งที่อยากให้มองเห็นว่ามานต้องการความรู้สึกคือการนมัสการเหมือนที่พระเยซูนมัสการพระบิดานมัสการพระเจ้า มานันต้องการให้คนนมัส ก, การบูชามันเหมือนคนที่ศรัทธาในพระเจ้าเพราะมันเป็นผู้นำมัส ก, การในสวรรค์นี่นะได้ชื่อว่าลูซิเฟอร์นี่นะตำแหน่งของทูตสวรรค์ลที่นํามาสักโอ้คุณมันเห็นการมัส ก, การพระเจ้ามันชอบมากเลยอ่ะอยากให้คนนมัส ก, การมันแบบนั้นมากอ่ะมันเลยกระบฏต่อพระเจ้าไงนะแล้วก็เป็นความจริงบางอย่างนึต ง, ขงบางครั้งบางคราเมื่อเราติดตามพระเจ้าไปสามโอ้ติดตามพระเจ้าอยู่ดีนะ ติดตามไปติดต่อเราอยาก ajud obliged toеленinin ประเจ้า Same, ตล场นี้นะนันมัสษ ffic Arthur miles per Grandma ก็เลยอยากให้ Canada complexes ก็คือค wiev ост oben kriana คำชื่อชมคำชื่อชมคำชื่อชม rated แต่อยากชื่อชมจน anyway เปิดทำให้คนเสร Forex แต่ก็ไม่แปลดความต่ออยากชื่อชมอีกชมอีกของชื่อชมอย่าง olis เป็นกำลังใจเป็น그런ณผ vy file findenisas dat อยากจากับ บางคนชื่อนชมมากเลยเธอดทำให้คนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าตร��วเองเป็นพระเจ้าเพราะ karena kita צ ้场 quelle 向 donc we need you แต่ก็อย่าละเยินในการชื่อนชม just 拍 exemple นิดนิดนิ ด, น, ด น, น, หน่อยเป็นกำลังใจエ AU nominal 覺得 weird when they get married selling money to the king ตามความเหมาะความคี характер ให้เป็นที่ถวายเกีดยด워요คิดจะชื่อนชมใครต TA España seinem impulsifilравs ห Normal physical and physical อย่าชื่อนชมเขาให้เขาเป็น เกินไปจริงๆก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะทำงั้นปั๊บเนี่ยไอความเป็นเนื้อหนังนะบางทีเราอยากเป็นพระเจ้าแทนนะครับโอ้เราเก่งนะนะครับขโมยนั้นโยมมาวิธีการของมาสาตาร์เนี่ยบนพื้นฐานของพี่ว่าขโมยนั้นโยมมาเพื่อจะรักและฆ่าทำลายเสียเราได้มาพวกของหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ลักษณะของปานสาตาร์ของพระเจ้าต่างกันขโมยมาขโมยคือมาสาตาร์ มันมาเพื่อจะลักฆ่าทำลายแต่พระเยซูมาเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตและให้ชีวิตแบบไหนครบถ้วนและก็บริบูรณ์นะครับนั่นเป้าหมายของมาร์สตานนะครับโมริคัยไม่ได้กราบหรือแสดงความเคารพขรั้นการซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังคือพูดกับโมริคัยว่าทำไมท่านละเมิดพระบัญชาของพระราชาอยู่มาเมื่อเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่าและท่านไม่ฟังเขาเขาก็ไปเรียนหามาน เพื่อจะดูว่าถ้อยคำของโจรดิคจะชนะหริท Compl. paj daughter will interface with the letter of отвеч, เพราะท่านบอกว่า Chad Поэтому says that exists. forced Born ofuj Kaji, PLAuthung. สิ่งที่เป้าหมายมานสรตาลทำสิ่งที่ทำดับแรกคืออะไร Pleasant in art เชิญ ว, พวกนะริ Breakfast. มานสตาลเชิญวริ didnt began to people. เหมือนคนเร่น Fab Nantzajimtra, วิธีทำให้คนติดการพนันก็มีวิธีหนึ่งเล่นใหม่ๆแล้วได้อะเล่นใหม่ๆแล้วได้อะเข้าใจไหมอ่ายิ่งเล่นยิ่งได้ยิ่งเล่นยิ่งได้ติดใจนะกลายเป็นติดการพนันไปต่อมาภายหลังยิ่งเล่นยิ่งเสียยิ่งเล่นยิ่งเสียนะฮะแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นละเพราะมันตกไปในบ่วงแล้วเรียบร้อยแล้วติดการพนันไปเรียบร้อยแล้ว นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่มาสตาร์ทำอันดับแรกก็เป็น อ, องค์การคือว่าเริ่มเชิญชวนเราเป็นพวกล่นะนะเชิญเป็นพวกพวกของฮามานเขาพยายามมาชวนลวหมใหใครเลยโมเดลไทยเฮ้ยต้องทำตามที่พระราชาบอกขัดขืนไม่เหมาะไม่ควรนะอยู่กับฮามานเนี่ยอจะเรียนก้าวหน้าเพราะว่าท่านเป็นรองแค่พระราชาถ้าคุณทำถูถกสุขใจก็ได้เลื่อนตำแหน่งนะ อาจจะมีการชวนหลายเรื่องหลายอย่างนะนะฮะแต่เนื่องจากโมรรคไคร์ว่าไงผมเป็นยูผมเป็น ย, ผนยูผมต้องการอะไรผมต้องการกราบไหว้สิ่งอื่นแทนพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่โมรรคไคร์ตอบแต่มาสตาลพยายามชวนหลายครั้งคนมาชวนเราใหม่ๆเราอาจจะตอบว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเราไม่ทำเราเป็นคริสเตียนเราไม่ทำเราเป็นคริสเตียนถูกชวนบ่อยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจ เดมาร์สหลงลักโลกไปแล้วทั้งๆที่ติดตามรับใช้พระเจ้าอย่างดีอยูใ่ในทีมงานของเปาโลแต่สุดท้ายก็หลงลักโลกไปเพราะว่าการเชิญชวนต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้มีเรื่องการเชิญชวนเยอะนะที่ทำให้จะหลงไปกับพระเจ้านะครับอันที่สองก็คือทำลายสินส้นซากถ้าเชิญชวนแล้วไม่มาก็จะทำลายเสีย มารใช้ตาใช้หลักนี่นะเชิญเป็นพวกไปมาเมื่อฮามานเห็นว่ามอริคายไม่กราบลงสแสดงความเคารพต่อท่านก็เดือดรานแต่ท่านเห็นว่าเป็นการเสียเกียรติจะจับกลุ่มมอริคายคนเดียวฮามานยังหาช่องทางทำลายยูทั้งหมดคือชนชาติของมอริคายทั่วราชจกษัตริย์ของอาห์สุเอรัตนะคือเป้าหมายของมันก็ต้องการทำลายไว้แหละถึงแม้เชิญเป็นพวกสุดท้ายก็ทำลายนะเชิญเป็นพวกสุดท้ายก็ทำลาย ท้อยายที่เป็นพวกมาสตาร์เนี่ยคิดจะคิดว่าได้ดีไปดีนะใหม่ๆอาจจะดูเหมือนได้ดีไปดีแต่สุดท้ายถูกทำลายมันเอาเป็นพวกเพลินทำลายเพราะเป้าหมายของมาสตาร์คือทำลายเราเป้าหมายมาสตาร์ไม่เคยคิดมนุษย์เป็นพวกเพราะมนุษย์มาจากพระเจ้าเกิดมาจากพระเจ้ามีพระช้างพระเจ้าเป้าหมายมาสตาร์คือทำลายมนุษย์แต่ทำลายได้ต่อเมื่อเริ่มชวนมาเป็นพวกกันนะเริ่มเริ่มเห็นลิตรเดชโอ้หน้าติดตามมาสตาร์เนี่ย หน้าติดตามผีตรนนี้หน้าติดตาม เ, าเทพผมปลอมองนี้อะไรต่างพวกนี้นะฮะยิ่งติดตามยิ่งแย่ติดตามยิ่งแย่ท่านลองดูสิคนที่ติดตามเนี่ยเขาจะแย่ดูเหมือนได้แต่เสียดูเหมือนอมีเกียรติแต่ไม่มีอะไรเพราะตัวเองตกเป็นทาสของผีไงตัวอย่างเช่นคนเลี้ยงผี คนเลี้ยงผีเนี่ยคนอื่นก็ชื่นชมนะโอ้โห و, คนนี้นเก่งมากมีวิชาอาคมขังสามารถควบคุมผีได้แต่คนเลี้ยงผีเนี่ยต้องระวังหนึ่งระวังผีจะกลับมาเล่นงานฉะนั้นเขาต้องต้องต้องสัตซ์ซื่อกับผีเช่นเลี้ยงอาหารตงรงนี้ให้เป็นเวลานะฮะยิ่งก่อนตายต้องส่งต่อให้ได้ฉะนั้นคนเลี้ยงผีนี่กลัวมากสุดกูตอนตายว่าจะส่งไปให้ใครดีหาลูกหาหลานรับช่วงต่อ ถ้าไม่รับตัวผีมากวนนะก็ควรไอ้ที่พูดได้เงี้ยว่าตาผมคนเลี้ยงผีนะฮะผมอยู่บรรยากาศของคนเลี้ยงผีมาแต่ผมไม่เคยเลี้ยงผมไม่ชอบผมไม่ชอบนะฮะอะไรต่างพวกนี้อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก่อนจะยิ่งแก่มากๆเขาจึงระวังก็จะส่งต่อให้ใครดีเพราะว่าผีมันจะเริ่มรังควานอะไรเงี้ยนะยิ่งเราแก่อ่อนแอปั๊บวิชาเริ่มไปขังเงี้ยนะฮะเริ่มควบคุมไม่ได้เงี้ยนะ นั่นดูเหมือนได้จนท้ายถูกทำลายหมดนะคนนั้นต้องตายแต่ผีนั้นไม่ตายนะคนนั้นต้องตายแต่ผีนั้นไม่ตายนะนั่นคือสิ่งที่ญาติมองเห็นภาพว่านี่คือลักษณะของมันคือว่าต้องการเป็นพวกเสร็จแล้วก็ทำลายให้สิ้นสากนะแต่ถ้ามันเป็นพวกแรกก็หาทางทำลายเลยในชีวิตของเราเมื่อเราไม่ยินยอมต่อมาสตาล ม, มันก็นหาทางแกล้งเราในหลากหลายรูปแบบใช่ไหมเพื่อจะให้เราเลิกเชื่อพระเยซูและไปเป็นพวกมันเพื่อมันจะทำลายเสีย ขอจำเรื่องนี้ไวด้ดีการที่เราเป็นพวกของมารมารไม่นับเราเป็นพวกหรอกที่มันหลอกให้เราเป็นพวกเพราะสุดท้ายเป็นการทำลายเราเพราะเรามาจากพระเจ้านะเรามาจากพระเจ้านั่นคือเป้าหมายของมาสตาร์นะครับนั้นวิธีการของมาสตาร์เนี่ยในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิสานนิสานคือเดือนมีนาเมษาประมาณนี้ค่ำๆเดือนกันอยู่ปีสิบสองแห่งราชการกษัตริย์อาหะสุเอรัต เขาพาการทอดเปอคือสลากตอนหน้าฮามานเพื่อหาวันและและเขาวทอดเปอหาเดือนในวันที่สิบสามและเดือนที่สิบสองคือเดือนอาดาคือประมาณกุมภาพันธ์คนยูนับเดือนเหมือนคนไทยสมัยก่อนนับจันทรคติปีใหม่ของไทยสมัยก่อนคือเมษาใช่ไหมเมษานะฮะนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราเป็นน ะ, ะเราเริ่มมาใช้ปีใหม่มกราสากลตอนหลังนะฮะนี่คือส่วน นั่นคือเดินมีนาเมษาเขาคิดเลยนะฮะมนาร์รานนารนสต า, า, าทลทำอะไรวางแผนล่วงหน้าครับมาร์สตาลไม่ให้อยู่ๆก็มามาทำร้ายเราเลยนะมันวางแผนก่อนจะทำร้ายเราเนี่ยก่อนจะทำอะไรมันวางแผนล่วงหน้าถ้าตามนี้วางแผนล่วงหน้าหนึ่งปีเข้าใจไหมวางแผนล่วงหน้าคือในการจะทำร้ายชนชาติอยู่ทั่วทั้งอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ย ใช่เวลาหนึ่งปีในการวางแผนฉ favour of Starr is seen by Desmond ไม่ใช่อยู่มาหาเราเอาหรือได้แต่นวางแผนเรียบร้อยอยู่จะทำไลข้ท lapsed an among others ames have some people จากวางแผน Mansion คนนี่เป็นใครจะทำรายไลยเงินไงมีการวางแผนงทกอง clerk いつ uan came along เริ่มล subsequent people เริ่มครับวรการขน selecting เริ่มให้ร้ายแล้ว ivel ยโ sin กระสั่ตรอาหาสวยดาคนมีชนชาติหนึ่งกระจายอยทว และแยกกันอยู่ท่ามกลางพิมพ์ชาติทั้งหลายในมณฑลทนแห่งรจาชกษัตริย์ของพรมกฎหมายของเขาผิดกับกฎหมายของชาติอื่นทั้งสิน้นและพวกนี้ไม่รักษากฎหมายของพระราชาการที่พระราชาจะปล่อยเขาไว้นี้ไม่บังเกิดประโยชน์แก่พรมเริ่มให้รายยูพวกนี้พรมเอาไว้ไม่ได้นะกฎหมายไม่เหมือนกฎหมายของเราเอาไว้เหมือนหอกข้างแคร์นะครับเริ่มเริ่มไปคุยกับพระราชานะฮะ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยกับเราคือการถูกให้ร้ายถ้าเราถูกให้ร้ายถึงเรื่องปกติเนอะตั้งหลักให้ดีนะฮะตั้งหลักให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ที่ไม่จริงเราตั้งหลักไว้ได้เนี่ยเดี๋ยวความจริงปรากฏนะฮะมาร์าสตานฮามานก็ทำเนี้ยการจะทำร้ายทำลายคนเริ่มจากการให้ร้ายก่อน ทำให้เกิดรู้สึกอยู่ไม่เป็นสุขทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะอันนี้คือสิ่งที่มาร์สตานทำนั้นถ้าเราได้ยินอะไรต่างแต่ที่มันดูเหมือนเป็นความให้เราความเข้าใจผิดเกิดขึ้นเนี่ยต้องนิ่งๆอย่าพึ่งโต้ตอบอย่าโต้ตอบเร็วนะฮะการโต้ตอบเร็วเนี่ยเสียหายมากพอดีแทนที่ไม่ผิดกลายเป็นคนผิดสังเกตไหมฮะจริงๆไม่ผิดหรอกแต่โมโหอะ่ะ ก็เลยอัดซะเลย<笑><笑>ก็กลายเป็นคนผิดไปเลยไงกลายเป็นคนผิดไปเลยฉะนั้นเมื่อถูกให้ร้ายเนี่ยถ้าถ้าอ่านต่อไปอนักเดี๋ยวพูดต่อไปเนี่ย ม, มุสลิมไม่ต่อสู้นะมรนุสลิมนิ่งมานะแต่ว่าสิ่งที่าฮามานทำอะไรเริ่มให้ร้ายไปบอกสัตว์ว่าไอ้ชนชาตินี้ไม่ดีไม่ควรปล่อยเอาไว้ให้อยู่ในอาณาจักรนี้นะครับพอให้ร้ายเสร็จแล้วทำไงเออประราชาชนเริ่มเห็นคล้อย เราจะทำอยัางไงอ่ะต่อมาภายหลังให้เงินถ้าเป็นที่พอพระไทยพระราชาขอทรงออกกิจการให้ทำลายล้างเขาเสถเธอและเข้าไปถวายเงินหนึ่งหมื่นตะลันใส่มือบรรดาผู้ดูแลพระสิทธิของพระราชาเพื่อเขาจะได้ใส่ในประครังของพระราชาพระราชาก็เห็นด้วยนะอย่างไทยโอ้โหจำใช้งบสูงอะหามาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้งบเนี้ย <laughs> แต่ย่านะเออประชาก็ดีเนี่ยนะทำลายชนชาติหนึ่งที่ไม่เหมือนเราอยู dying, ismus, ่ไปเหมือนหอกขังแแคแถมมีเงินให้ในการทำลายมันก็เริ่มเอาเงินมาให้เราแล้วมังค่ามังค่าบางทีมาร์ชตานก็เริ่มหยิบเงินมาให้เราเนื้อเงินเป็นสิ่งที่ดีไม่เสียหายนะฟังอีกครั้งหนึ่งเงินเป็นสิ่งที่ดีไม่เสียหายแต่การรักเงินเป็นรากเหง้าของความชั่ว เขาเรียกว่าถ้าคุณมีเงินและคุณมีอำนาจเหนือเงินโอเคแต่ถ้าคุณมีเงินและเงินมีอำนาจเหนือคุณคือปัญหาหรือใช้เงินในทางที่ไม่ถูกการใช้เงินในทางที่ไม่ถูกแสดงว่าเราให้เงินมีอำนาจเหนือเรานะฮะใช้เงินไปฆ่าคนใช้เงินไปทำลายคนแสดงว่าคุณอยู่ตกภายใต้อำนาจของเงินเรียบร้อยแล้ว เพราะนิสัยของคนเนี่ยไม่อยากทำร้ายใครนิสัยของคนพื้นฐานอยากจะทำการดีนิสัยของคนเนี่ยอยากจะรักคนอื่นแต่ถ้าคุณใช้เงินทำร้ายคนอื่นเขาแสดงว่าคุณตกเป็นทาสของเงินเรียบร้อยแล้วเพราะคุณใช้เงินบิดทางนะฮะนั่นคือสิ่งที่ใหญ่มองเห็นภาพนี้นะฮะให้ร้ายนะฮะเพราะเห็นชอบให้เงินนั้นคนก็จะทำพวกนี้คนที่ให้ร้ายเราเสร็จแล้วก็จะให้เงินด้วยจะให้วิธีการ หรืออ τά สารและแาาท่อ่าสารทำให้ halmarran อ, อ, อาสารเลยพร้อมให้เงินแล้วเดี๋ยวคาร속 ก, การติก weighs 각ตรงเองต่อนมาสิ่งที่ halmarran ทำแล้วก็ใช้อำนาจพอกรสัทจ์เห็นท้องต่อการให้ร้ายเห็นชอบต่อการให้เงิน halmar んなก็ถือโอกาสใช้อำนาจของพระราชาพระราชาถอดถามรงตลาวออกจากปริงหัสของพรุง มอบแกฮามานบุตรฮัมเบดาธาคนอากะักกศัตรูของพวกอยู่และตรัสกับฮามานว่าเรามอบเงินนั้นให้แกท่านและมอบประชาชนแก่ท่านด้วยเพื่อจะทำแกเขาตามที่ท่านเห็นดีทั้งที่มารสตาร์ทำอะไรตามแต่สุดท้ายสิ่งต่างนั้นอยู่ในกำ ม, มือของมันนะอยู่ในกำ ม, มือของมัน น, น, นั้นการถูกล่อลวงด้วยอะไรก็ตามแต่ด้วยอำนาจด้วยอะไรต่างตาแต่นี่นั้นสิ่งที่เราควรทำคือว่าอย่ากลัวจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป ในยากร์น่ะบทสี่ข้อเจ็ดนี่จงต่อสู้ขมานและหนีท่านไปนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในเชิงการล่อลวงในแนวทางของมาร์สตาเนี่ยเราเอกใจปั๊บเนี่ยไอ้ฐานในนามพระเยซูเจ้าขับสั่งสิ่งนั้นเออกไปจากเราเพื่อเราจะไม่ตกกินอำนาจนี้นะฮะอันนั้นคือคือสิ่งสำคัญ น, นั้นการให้ร้ายการใช้เงินการแช่อำนาจเป็นวิธีการของมาร์สตา วิธีการมากสาด architectural เท่นั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญแมีแต่คริสเชียนถึงแม้คุณมีอำนาจก็อย่าใช้อำนาจทำร้ายคนให้มีอำนาจไว้เพื่อช่วยคนอำนาจมีไว้เพื่อช่วยคนอำนาจไมันมีไว้เพื่อทำร้ายคนอำนาจมีไว้เพื่อทำร้ายคนไม่ใช่คุณเข้ามาอยู่ตำแหน่งตรงนี้และให้อำนาจกับ ค, นสทคุณ Joshстиq เพื่อช่วยคน ไม่ใช่เพื่อทำร้ายทำลายคนถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เราสามารถเดินไปกับพระเจ้าได้ชัดเจนอะไรที่ทำแล้วมันเป็นการทำร้ายคนทำลายคนถึงแม้คนนั้นจะผิดก็ตามแต่คนทำผิดต้องถูกลงโทษแต่เราห้ามทำร้ายเขาลงโทษเพื่อช่วยกับลงโทษเพื่อทำร้ายนี่ไม่เหมือนกันนะนะฮะพ่อแม่ตีลูก เป็นการลงโทษแต่ไม่คิดจะทำลายลูกพอตีไปก็เจ็บเจ็บในหัวใจของตัวเองใช่ไหมด่าไปก็เหมือนด่าตัวเองทำนองเนี้ยมันไม่มีไม่มีความสุขหรอกในความหมายของมันอะอันนั้นคือสิ่งสำคัญเพราะว่านั่นคือลูกนั้นในการที่เราใช้พระคำพระเจ้าในการตับเตือนก็เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องทำได้วยความรัก แต่ใช้พระคำพระเจ้าเพื่อตำหนิเป็นการทำร้ายเข้เขาใจความหมายไหมฮะเราใช้พระคำพระเจ้าคนเพื่อตักเตือนมันเป็นความรักแต่ใช้พระคำพระเจ้าเพื่อตำหนิเป็นการทำร้ายมันก็ใช้ดูเหมือนถูกนะแต่ท่าทีมันบอกว่าผิดหรือถูกวิธีการนี่เหมือนกันแต่ถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับท่าที นั้นเข็คจะเก säger- อย่าร ย, ยามใช้ผ่านภีตีหัวคน Этот tamaer ат ถาคอร์ริสึกรวจใน interacted with in thestatus member of the student, มีไว้ทำไม Woche back in the circle ogene� ไม่ได้มีไว้ตีแกะ enfin between the chehard and spirit days มีไว้ตีสุ derived from cinnamon Comment 시 that it's an essent คอยใล่สิงโตมากน tracking Lisa ไม่ใช่อามาตีแกะ fractal จะามีไว้ต้อนแกะไม่เหม Whaya product ต้อนกะตีไม่เหมือนกั น, ตอนกะต นะฮะทานพระกรมีว่าเกี่ยวแกะเมืเ่อตกไปในผูกเขียวนะเป็นขอที่เกี่ยวขึ้นมานะไว้ช่วยไม่ใช่เกี่ยวคอแกะโยนลงเขียวมันไม่ใช่นะนั่นคือนั่นคือคือสิ่งที่อยากกันใจมองเห็นว่านี่คือวิธีการของมาสตาร์ที่ทำวิธีของฮามานที่เห็นถึงวิธีการมาสตาร์ทที่มาทำบุนคคลของพระเจ้านะครับแต่ผู้เราคนกลัวคือใครอ่ะ เหตุฉะนั้นอย่า ก, กลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือา ก, การลับที่ไม่เผยให้ประจักษ์ซึ่งเรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและซึ่งท่านได้ยินกระซิบที่หูจงโกนหลักฟ้าหลังคาบ้านอย่า ก, กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำ น, นอาจจะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายท่านพิรุณาในนรกได้หลายครั้งหลายคาที่เราต้องกลับไปอยู่มาร์สตาร์เพราะเรากลัว แต่มาร์สตานทำได้แค่เรื่องเดียวทำลายทำลายร่างกายของเราได้แต่ทำลายจิตวิญญาณเราไม่ได้แต่คนที่สามารถทำลายทายั้งจิตวิญญาณและร่างกายาได้คือพระเจ้าฆ่าได้ทั้งกายฆ่าได้ทั้งวิญญาณคือพระเจ้านั้นสิ่งคุณกลัวคุณเคารพคุณนับถือควร น, นมัสการคือพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สามารถช่วยให้เรามีชีวิตกับพระองค์ในปีนสวรรค์ได้มาร์สตานไม่ได้ช่วยนะ มีมาสตาร์ตต์ตนไหนบ้างผีตนไหนบ้างที่สัญญาว่าจะพาเราไปสวรรค์มีไหมมีมาสตาร์ต์ต์ตนไหนผีตนไหนที่สัญญาจะพาเราไปสวรรค์ไม่มีให้นู่นให้นี่กับเราแต่ไม่ได้พาเราไปสวรรค์แต่พระเยซูพูดชัดว่าพระองค์พาเราไปสวรรค์เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระวิดาได้นอกก็จะมาทางเรามีแต่พระเยซูนั่นเลยสัญญ า, าไปสวรรค์ ถ้าท่านหลายเชื่อในพระองค์เชื่อในพันนาพระองค์พระองค์จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยพระเจ้านี่คือพระเยซูงานสตางค์เคยสัญญาไหมมาล่ำรวยกระชัน้นและจะได้ไปสวรรค์เคยบอกไหมไม่เคยเพียงแต่ให้เราหลงและเลื่องสุดท้ายพอเข้าร่องคารอยมันก็ทำลายเราเสียงานนั้นคือสิ่งกระนุนใจให้มองเห็นภาพนี้นะครับ นกกระจาบสองตัวเขาขายกันหนึ่งบาทไม่ใช่หรือแต่ถ้าพี่ดาวท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะ ต, ตกลงถึงดินไม่ได้ถึงผมของท่านทั้งหลายก็นับไปแล้วทุกเส้นเหตุนั้นอย่ากลัวเลยทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวแม้แต่นกราคาไม่กี่บาทพระเจ้ายัางดูแลอย่างดีถ้าจะไม่ให้ตกลงดินก็ไม่มีทางตกและเราอ่ะไม่ประเสริฐกับ น, นกหรือ เรานี่ราคาเท่าไหร่ครับ น, นกราค า, อาสองตัวต่อขายหนึ่งบาทในกาตัวราหมาสิบดัง น, นกตัวละตราหมาสิบดังตัวเราเป็น poke overall หาค่าไมีได้เช่นานปราจ้าจะไม่ห่วงเรายิ่งกัอนนกลืงไงเมไหม Appreciation be the service dictator เกิดของเร ости ตกอยู่ในการทดลองอยใน อะไรก็ตามแต่จงเชื่อมันในพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราในหนึ่งเปโตบทที่ห้าว่าอย่ากังวลวายนะเพราะพระเจ้าทรงห่วงใจท่านเพราะพระเจ้าทรงห่วงใจท่านเพราะท่านประเสริญยิ่งกว่านกนกแค่ตัวละห้าสิบตังค์พระองค์เองจะดูแลอย่างดีเราตีค่าหาไม่ได้ทำไมพระองค์จะไม่ดูแลเรา ไปสำคัญเราเป็นพระฉายพระเจ้าพระเจ้าดูแลพระฉายเมืองดีนั้นยืนจัดอยู่กับพระเจ้าให้ได้อย่าหลงกลติดตามพระเจ้าไม่เห็นได้อะไรเลยเลยแปลว่าอะไรติดตามพระเจ้าไม่เห็นได้ไเลยเลยแปลว่าอะไรที่เคยพูดบ่อยเนื้อถ้าเรามาเชื่อพระเยซูและพระเจ้าไม่อวยพรอะไรเราสักอย่างหนึ่งก็คุ้มแล้วครับ because he got to beığı pressure. We can't reach that whole world behind the sword. He don't allow you to 50 people. but living funds will what he wants. Everyone in the world has to feel through a flock of cares now. A few people don't identify. They appeal for Su possibly beyond Jesus and spirit killing of his именно Lord. Iolie Chess meets my take you to Solar but there is two wordswhich will induce Christians for now. nha. When he called them Jesus, we tuge your love. The love is so good for this. and nobody can give independents. ซื้อไม่ได้ morally หาไม่ได้พบได้ในพระเย Jesu อย่างเดียวเชื่อในพระเย Jesu คุณได้รับพ草คุณคือความรอดตายและได้ไปสวัด셔서 include แต่ทำตามพระเย Jesu will be done to get to the ground ที่ท่านไม่รับพ草มีเหตุผลมาก ech ABOUT คือไม่ได้ทำตาม树เชื่อพระเย vastly accomplish ชีวิตนี้ไม่ตกนโรกแต่ไปสวัดเป็นพระพวกคุณเต็มๆ แต่ทำตามพระเยซูคุณจะได้รับพระพรเพราะในคำสั่งพระเยซูมีเงื่อนไขแห่งพระพรอยู่จะได้รับพระพรหรือไม่รับพระพรไม่ขึ้นอยู่การเชื่อพระเยซูขึ้นอยู่กับการทำตามพระเยซูถ้าทำตามพระเยซูคุณจะได้รับพระพรแต่เมื่อคุณเชื่อพระเยซูคุณได้รับพระคุณคือความรอดที่พระเจ้าให้เปล่าเปล่าแต่พระพรนั้นต้องแลกเอาตามเงื่อนไขที่วางเอาไว้ นั่นมาเที่ยวพระเยชุ์ catastrophic เพียงแค่ทำตามเงินไข พ, อพอระเบล์เรากลัวไปของคุณ Bilisan Е publicityNO. homeland 부คุณ binding să which degradation but physical แต่อันพพอพอรดาน grind 쪽 answering what's going well? ใน ыв wiped off ณฯาทุก師ค่ออันนักษ า, นไอานองคำ for. Este 玄 Chinese 85% Saf yapıyorsun ผ่านฯิ้งใน пот Chest Per teaches them! แต่ใ น, พวางไงนะเองっぱ misakah? นะครับคนที่ยำแ Greens paralich พระเจ้า เป็นบอกเกิดแห่งความรู้และปัญญาเพียงแค่คุณยำเกรงพระเจ้าคุณจะกลายเป็นคนที่มีสิบปัญญาและมีความรู้อันนี้เรื่องจริงถ้าเรายำเกรงพระเจ้านะเราจะมีความรู้ใหม่ๆเราจะมีสิบปัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าเรายำเกรงพระเจ้านะเนะี่ยพระพรถ้าอยากได้ปัญญาก็แค่ยำเกรงพระเจ้า โปรงจะขอปัญญาหน่อย whatever, so that shouldn't work แต่ถ้าคุณยำเกลงพ anteι เจ้าเชื่อในพ selves ーณติดตามพ Mete serpentine praoka ปัญญาจะเจอขึ้นในน harassingsch vein ไอล splash وب นุก הה embarrassment ตั้อง думаю สู้ส onna зан Tools ไม่ได้เก่งแต่เมื่อเรา he encompasses all kinds of items เป็นพ่อเจ้าให้เกิดพ่อเจ้าคุณ ไ, ไม่รู้ iej operation พระเจ้าสอนได้พระเจ้าให้สิบ drop- Shen แก้ไขปัญหาบางอย่างที่ไม่รู้จะทำไงได้อะไรต่างพวกนี้นะฮ ะ, ะรง่ายๆอยากมีสุธสขเหรอไอ้ฐานวิงวางพระเจ้าอะไรที่สุขจะเกิดขึ้นนะฮะอยากจะให้ชีวิตมั่นคงเหรอจงแสวงหาเป็นพระเจ้าและความชอบธรรมมาก่อนและคงจะเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นกับเราให้นั่นแหละสุภาพรเชื่อพระเยซูได้รับพระคุณซึ่งคุณหาซื้อไม่ได้ และตอบแทนไม่ได้แต่ถ้าอยากได้พระพรทำตามพระเยซูและคุณจะได้รพระพ ร, น, ะรนั่นคือสิ่งกระนั้นใจให้มองเขียนภาพนี่นะจ ง, งรู้ถึงเป้าหมายสูงสุดของมาสตานคือต้องการให้มนุษย์บูชามันเพื่อทำลายมนุษย์จงรู้ทันเลขกลของมาสตานการล่อลวงการมุสาคือวิธีการเข้ามันมาสตานพื้นฐานมันคือล่อลวงและโกหกนะฮะล่อลวงและโกหกคือพื้นฐานของมาสตาน ขโมยนั้นยมมาเพื่อจะลักฆ่าทำลายเสียเป้าหมายของมาร์สตาร์คือทำการทำลายล้างเราอย่าคิดว่าเป็นพวกกับมาร์สตาร์แล้วจะไม่ถูกทำลายนะฮะมันเอาเป็นพวกเพื่อมันจะทำลายเรานะครับเมื่อเราบูชามันเป็นธาตมุมันทำลายเราแต่พระเยซูมาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์เราจะเชื่อใครจะเชื่อมารจะเชื่อพระเยซูผลต่างกาันเชื่อมารถูกทำลายเชื่อพระเยซูได้ชีวิตตัดสินใจให้ดีๆนะครับ เราจะช่วยมนุษย์คนอื่นได้อย่างไรเรารอดแล้วแหละนะฮะไอ้ฐานเผื่อเขาด้วยความรักวงใหญ่เขาดูแลใจใสเขาด้วยความรักแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในพระเจ้าเขาฟังเพื่อเขาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเขาจะรับความรอดเหมือนอย่างที่เราได้รับความรอดนะครับคนในเป้าหมายของเราในใจสักสามถึงห้าคน ไอ้ฐานเผื่อเขานะฮะดูแลใจใสเขาเยี่ยมเยียนเขาแบ่งปันประสบการณ์ให้เขาแบ่งปันข่าวประเสริฐให้เขานะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรทำเราเนี่ยปลอดภัยและ้วเพราะเราเชื่อพระเยซูแต่รับพระคุณเรียบร้อยละตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนและถ้าเราทำตามที่พระองค์บอกเราจะได้รับพระพรคนอื่นต้องการเหมือนเราเหมือนกันเขาอยากได้เหมือนเราแต่เขาจะไม่เคยเจอนะฮะ จงไอยฐานเผื่อเขาพวงย้ายเอาใจใส่เขารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแบ่งปันสิ่งดีๆที่เราพระเจ้าให้กับเราให้เขาฟังเพื่อเขาจะพบพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราพบพระเจ้าร่วมใจฐานด้วยกันดนตรีรันเพลงพระสลีโปพระสลีสันเสริญพระเจ้าสันเสริญพระเจ้า